มิตาอยู่นี่หรอก็ได้เอาชื่อมันบริกรรมภาวนาตลอดพอบริกรรมภาวนาไปจริงๆรจิตมันก็ทิ้งอย่างอื่นก็ไปอยู่ที่ยายประยูนพอมันยิ่งยูนเอ้ยยูนเอ้ยจิตมันสงบสว่างได้สมาธิที่ท่านสอนให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมะท่านให้ท่องมนเอาไว้เหมือนนกแก้วนกขุนทอง